แก่น่าพอนหน้ากับวิญญาณเรื่งองเขากับแกได้เรื่องกัเกหมดได้กับไปหาหมอแกได้ยังยังไงเรื่องเขาภาว น, นากับหายมือหายหวินไปดีไปเั่งเรื่องนั่นเขาน้ากับภาอนาภาวนาให้มันหายไป ม, ม, มันมีเกิดก็มีดาวไกัน ก็จะเรากับการคนที่ท่านคนจิตธรรมไม่ค่อยเข้าใจเลยต้อให้พี่บีเป็นร่าแคขมูจักว่าง่ายๆภาวนาบด้ญญาบริชาดูเขมูจักอายุยุ่งชะมองเขมูรู้จักเจาะใดโตะไรลุ่มสอนยังไงยุ่ชื้นเฉยเรา낭ลงไป เราอย่าไปคิดนั้นเราอย่าไปคิดนี้ดิอือให้คิดจุ๋ยเรานั่งอยู่นี่จะต่ายโล่งโลงดินนี่เละคนนี้เนอะพื่อนนี้ฮักว่าคิดโล่ไปคิดอย่างนี้เลยบอกกิติเจ้าของห้ามได้ยังไงยังอัดคนนี้เลยคนนี้เอาอันอื่นดองออกมันปวดมากเบาไว้ปวดมันที้ไม่อยากภาวนา มันปวดกระเวียนจิให้กำลนดใจไว้ย่ให้มันพีกใจนะ ว, ว่าจะเปลี่ยนออกับเวียนได้เย็เนี่ยมุชีเยี่ยเยดแข้งก็ได้เราจะยืนก็ได้เราจะโน่นก็ได้เราจะนั่งก็ได้เปลี่ยนได้นี่คือจะเอากระนุดไว้ยิ่ไปทางอื่นทีนี่เลวดก็เปลี่ยนวันนี้เอาลวงหลหลบผ้าหน้า ให้มึงห่ะก็มูแล้วก็เรียบรูป นานขึ้นไปใหเมิดล่ะมูมี่เนี่ยก็มีร้านผู้เดียวนี่นีย้อสยล่ะมันกลายเปยื่อผู้เดียวแล้วร้านก็ดีไปยื้สายแล้วล่ะร้านอ้พดดีบ้านเขาคดีอันนี้กับพี่แม่ขาของฟูกให้ไปกายนี่อย่างนี้ใครที่คนที่ผมเรีกมาฟูกะไรกัดยม่ไ้ก็ได้ ไช่นิยมสยกเฉาไว้หล้กก็เครื่องหัฟพ่อเนาะอืมเออได้งงเท่มากเขาก็เวยเอาคุณมาจ้างเอาไทรเชร่าบุรีไม่ได้ที่ชกเชื้ออะไรอย่างนั้นเนาะคป็นัย้างมีคนมาเยี่ยมคุณยายบ่อยปา มาอยู่มาอยู่คุณแม่เอขึ้นมาบ่อยบ้ามาขอมาชิกชาทั้มวันทั้งหมด่ลยมาทูจิ้งย่กมาคิดตาคิดตาอไปหาหมอหรือยัง ไปหายก็มองไงลูกไม่เห็นเหรอมันเจ็บช้ำมเจบอะไรป้อเหรอไมันป็นอย่างนี้เลยมันจะหายมันก็หายใช่ไหมกำหนดกาหนดเขียนมันจะเจ็บมามันก็เจ็บมากะน้าตาลน้อยเนี่ยเช็ดตาเช็ตเช็มันคันอันนี้ขันอัน นั่นมูลินมูนกับหมุคันขันอะนีขันอะไาให้หมอมาคือมัเป็นตัว่เออเนี่ให้บึ่งให้พี่จะนดายาหนึ่งให้พิจินดาเป็นสำลีดีเออให้บึ่งยาดีนะพี่จินดา้าให้ดีนะดูยาเป็นตัวยาดูยาให้ดียาเป็นอย่ังไง เห็นเบึ่อ mm ง hmm, pe ูุรูปร่างข้างตูย่าเป็นยังไรนแั่เคล็ดลับพี่เจนาปิ่นฉันดีดยอนดีนี่อาจานไงว่าราพนาคณหนุ่มบูชาดิดอกเคล็ดลับพิจนาคนเทาพิจนาคนหนุ่มนุ่มี่ก็ร่างใจทันมาดีอาจ่าทันวะ ให้พี่จาหน้าคนเท่าว่าจะไม่มีกำลังใจฉันว่า อ, าอ่านว่าเอ๊ะท่านบออย่างอย่ปินปัญหาเนามาคิดดิั่านอฉันวายเบิ่อรูปล้างข้างตือุ้ณเทานั้นเล่า ก, ก็ชีวิต เ, เหมือนกันนะละเออยิบเหมือนกันตายเหมือนกันนะละท่านให้รู้จางนี้หมายวาพี่จารน้าเบื่ อันเจ็บเจี๊ยวก็เจข๊ยบหัวเจี๊ยบก็เจี๊ยบขาเออเจี๊ยบกรเจีบปีนเยอะอย่างนี้เลยกระพิจนาของโยนาเบิ้งจีบเบิ้งนะเบิงความเจ็บอันความเจ็บความปีนมันนอกมันปีนอยู่คือคือเราปีนในอย่างนี้เอาเดียวพรุนี้ลาไป มนั้นมามาเปลี่ยนเดี๋ยวผู้นึงดับไปเดี๋ยวผู้นึงมาเปลี่ยนมันกระติโตกันอยู่มืดมืดวินมึดมือดคืนนี่เข้มืุ้นหรืเท้ากระลงตามมันเดียวหรือเท้ามานจะว่างมันใชะเดี๋ยวป่ามันอยู่ที่เฉยจิดทั้งมันไม่จะเกิดมาเออมันเจ็บมันบมดีมันบมตายห้าวตองตาย ย็บยิบหมดตายเ้าวโซสายยืนโน้ยดีเน้อมันก็หายเนี่ยพี่เจ้าอยู่นี่แหละลูกวันี้พี่เจามันอื่นดอกง่ายอยู่ดอกแม่บอกไงแม่ผมว่ามันหาเค่นองมันหาเอ้ยเอาได้ยุ่งสมองมันหาธรรมไม่ใช่ของตื่นตื่นไม่ใช่ของง่าย มาโกม้วนมาให้รูเมยโบกคนปิ่นลายคุณดิเขามีจุหมายมาโบกผมว่ายังได้ละอืมอีกเขาร้องขอกระหู้ดีเออเขาก็บอกว่าดิในจุหมายเขานะทั้งพิจมูลจะปิ่นคู้นึ่งดิเราออืออทั้งเขาโง่งี้ก็ปิ่นคู้นึ่งภาวนาาานทั้งเอีอยง ดั ด, ดที่อ่ะดัดที่กับบินเขาก็มีญญาณหมายมาแมขึม้นมากว่างใดล่ะจ่งไนดัดที่นั้นมาแม่ อ, มมาามองคนคำวิชาธรรมโทเาพูดจกกังคำวิจักภาษาของเขาเน <c oughs> ะาะันงทนนั้งทัททังทััน ง, งั้งั้ <c oughs> ันงทั้งั้งั้งท้ทัททั้งทั้งทงทั้งทั้งท้ยทั้ ไปฝูดใหฟังยู่กระพน่ะเขาแจนอื่นโบจักแกงหลวรู้ไหมเราให้ยังไงล่ะฟังมารู้เรื่องเขามารู้ที่ยงไงกระบอกเขาพิชณาพุธเนี่ยถ้าแค่รู้พุธเนั่นไม่จะบอกให้ให้พิณพเจ้าก่อนเลยพิชณาพูดให้เห็นพูด เี่พูดด้วยจะเขียนจดหมายมาบอกแม่จงพิจารณาูพมันก็นเห็นหน้าขะมูลเลยค่ะนี่นั่นดิ อ, อันหน้มูนั่นเขาก็หูจักษ์อ่อก็บอกให้เ ข, ขาขสนี้เลยเขาไม่พูดหน้าเขาก็ปิดดีฮวนี่ออมเป็นหรือเ่าอันมาอาฉานนัน่นคชีวิตเท่ากันันนเรื่องชีวนนิตคู่คนงามดีเออมไม่ใช่คนด้อยดีพี่ยูที<ด>่าดละ อยู่ที่ไดอยู่รัดเชียเลยทันนี้ผู้อองนิกาก็มา่าอืมมิ่งอันนี้อเมริกาดิมาไกลพูนมากผู้ดเดียวมาผู้ดเดียวเพื่อนก็ได้เกิบมาให้เมใหเกิบอมาใมไหเออเกื้นั้นเกื บ, บอบูดมากใหญ่มาหลุมตีนใช่มาได้หรอมาได้ <laughs> ยาวนะคะชอเมื ouais, calves calves, hmm, 200, pues, yeah. ่อจะเหุมาให้อี๋อจะเห็ุมาไหมมันคิดว่าหม่มาบกินย่งกินไปเข้าม่วกระโจมาชุ่มของมวงชุกยูจะฟนชื่อหน่วยหนึ่งฮาบ้านนะย่าเราอืมอันม่วงกระโจนนั้น อันม้วงกันอื่นหน่วยละชิปอน่ว ช, ชิมูวกัเจอวหน่วยห้าบาทเมื่อคิดแต่นั้นแหละเขาเขาเขาก็กินพิดกินขีมข็มือเฮา่างนี้เพื่อกันล่ะไม่ไ ด, ด, ด้กินฝ่ายกินโทษหอกอีกก็เดียวของเฮาเนี่ย อีชายอยู่กรุงเทพบุ๊คแม่นูเป็นนักนักเรียนเออให้พระเดชกวนานพนาเราเป็นนักเรียนให้พิจารณาเอออ์เนี้ยวว่าเป็นรูปของนักเรียนเนาะนี่ให้พิจารณาลักเรียนลองดูดูมันจะรู้ไหมั <c oughs> นี่น เ, เล่าแต่ ว, ว่าเป็นนักเรียนเฉยๆให้พิจารณาตัวเล่าเราว่ได้เป็นลูกพ่อลูกแม่เดี๋ยวนี้ เราเป็นลูกของรักเรียนนี่ให้พี่เจน่าอย่างนี้นี่ฉันบอกขอันไอ้คนเก่งจะไปคนเก่เงักเรียนเขามาเต็มบ้านเขานี่บ้านดรกเตอร์เทศเขาฉันใจเรียผู้นึง ม, มันโอ้อกจะรู้นี่มันมาทำงานเอียง ทางงา้าวันยางถือธนาคารงา น, นแบงค์ธนาคารธนาคารมาธนาคารก็ฉีดเนะาะท่าันก็ธ น, นาคารกะฉีดก็ซื้ออาหารไปถุงทุกอาทิตย์เดี๋ยวนี้เป็นย่ายกลับคืนไปแล้ว อ, อยู่อะไรเอามีอะทิปอะนีอืออยู่ด้วยเอฟถูกไอเอฟ เ่ไปขอแกนผู้ใดัาไปล่ะจบแลบวโรนี่วันจบยัง่จบเฮาเฮาอย่าอย่าไปขิดน้าผู้ชายนะจะพ่อขิดน้าผู้ชายนะโูจุบนี้ตรงรีนดิเอ้ยใจมันขี่ดิทไใจมันโมยู่ดิมันบมคิดในแต่จริงมันไปคิดน้แตาขาวพูนออู่กับเดียวบอก เมสไม่ย้ำเขาโดนนี้เหละอันผู้รักเรียนเขามากมาันฟังที่นั่นย่าไปคิดน้ำเขาผู้าชายกันย่าไปคิดน้ำผู้หญิงเข็ดได้มันขี้วหัดแชาเด็สง่ายหรกมีลูกมีลูมีเรียนแชมเด็ดง่า ย, า ย, ายอย่าไปคิด อ, ออกไปจะหาลูกเรียนเจียวเดียวหมนี่ย ให้เขาให้นคนชั่วคนนี้เขาก็เห็นอยู่ในตาเราก็มีหูเราก็ะเพื่นให้ฟังตาเราเพื่อใครดูเราก็เบิงสิหูเราก็ฟังเสียงสิเพื่อได้ชั่วเพื่อดีเราก็เบิงไปหาเอาชงนกบินสำบิกรบุญยากอันเรื่องผู้ชายแค่มันยากแต่มือเราเรียนนี่มันจะขี้นะลูกอืมข้คุณนันย่า คิดาะเออหัวนั่นเฉยจุกโลไม่ใช่คือกันมันไปจะโดนนี้แหละไปหาแต่ไม่ยิ่งอะไรอะไรไม่ใช่ก็ดีเดี๋ยวก็ลงแล้วนี่เจ้าตาเบ่งอยู่ใจไปงอดผู้ชาวเอาแล้วนี่ไม่ยิ่งก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใจไม่ท้องอ่เขาแล้ว นี่อย่างวันใหญ่ให้มันเฝ้าให้มันขี่เอาจักอยู่โรคว่ามักกันกับมักอยู่ล่ะที่เจ้าของขึ้นไล่ป่านั่นเออแตยังไม่ได้ปิดนะเขาพื้นเรียนใทยเขามาเรียนอย่างนี่อันเขมวัดป้าเจ้วาดเขมวัดเมนร์ที่อย่างน้อเขาเขียนฮ เขาไปเรียนอีอย่างมันไม่เขียววเท่านัะว่าเท่านันนะที่เขาไปทางานนั่นบอกอันพวกเขารักเรียนเขานั่นเขาไปเรียนพิชางนานฉันบอกแล้วมันยังมคนดคนชื่อเขาเรียนน่ะมึงมีหา่อยนี้ก็เลียนอีอย่างนี้นะ ชีวโอนี่มาลุก่วนตัวอระตุกกระเท้าค่ะ <c oughs> ามาทานนี้ทห็นนี้เห็นดูฟ <c oughs> ุงข <c oughs> องฟางทวนโอยางยังยัง ไมได้มาท่านแม่ของพวกน้ำพึ่นว่อดองบ่มาค่ะนมาพอหลา้เชหกชิ้นหกชิ้นบ่เขาน่องเขาถามว่ายายเฮ็ดม่ที่โดนแล้วบ่เฮ็ดเมื่อโดนแล้วบ่แม่ที่ สามเทวินมอบมณ่าวสมาธิสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมโดนแล้วบอกเมื่อโดนแล้วบได้ยูเดอืมเป็นยังว่าอันนี้กันแล้วให้เขาดิบรมณ์เหตุมาหลายปีแล้วบ เทศมาหลายปีแล้วบะปฏิบ <myth uki> ัติถ้ำก็เจนอยู่ชี้ชิปอยู่นี่ก็ได้ร้อยร้อยยี่สิบร้อยชีรยชิปชิชีนี่แหละชิชีเต็มเรอยสิบสี่ชิปหาอกนี่แหละยาก็เห็นเบิ้งมาลาอยู่เบิง่นี่ได้ทุนไม่รู้จักเลยัโสดได้หรือเปล่า หูคนบุก้กอยขาดดิอืมอมเป็นอย่างดีเลยวาดนี้อเออปีกายนี่ตาโคกระแหยโนเข็มได้ปีนี้ตามืดเลยอหูออก็ตึงเลยมันไปสั่งคารน่ะมันมอกปีน <c oughs> ี้ก็หูมันเปลนแ <c oughs> ตน่ที่มันก็ได้ยินแยกอยู่ไม่นล้วเนาะแต่จานั้นมันจะสีม่วงเแต่หูนั่น <c oughs> มันก็ะแหยมันฟาหลง พาลุงพาลุงไกลลุงพ่อจะพูดเลยนะวัน น, น, นั่งพาวนานน้มาันะทั้งรุ่มทั้งปุ่นไม่หรอกเสียงฟ้าเปียงฟุ่นเปียงฟีไหมโม่เมื่อโม่เมื่อมฟ้าเปียงนั่นโม่เมื่อมาวันน้าแม่น้าฟุ่งหักท่วมุืงสะกลโรคตรอ่อใอฉันว่าขืนแล้วพูดว่าเสียงดังจนจนจน อ้าวข้องไปข้างมาแบบคิดถอนครับข้างไปข้างมาเอ๊ะเอาหูทางนี้นี่นี่เอาหูด้ยวนี้่นี้เอาหูนี่ทางนี้อ้าวอันนี้มันหมุแมนแมนบ่ล่ะดูนมุนน้ําตี้นีลยคือยังล่ะเม่นหูดับจึ่งมาลเรบผดีใจหันใจก็ดังกือืึในหูนะ อได้ล่เมือ่อมดัก อ, ดอยู่หเข้าหันใจกะปิอัอนนี้ก็ไขรแล้วอันนี้เขาเอาบุญในวัดฮัน อ, อาจารย์เขาเอาลงไปเทศในพวกที่ผ้ามค่ะไปเทศที่ใดล่ะก็ลงไปเทศ่ยวในวัดละ ไปเพลิ้งเพลิ้งประเทศนะเขาหรอคีเพศชงสามคำหนึ่งทั้งหูเหมันเอาได้ปิ้งหลไม่โอนชคเลยอาจารย์พูดผได้ยินเลยไม่พูดออกม่ได้ยินเลยเนี่ยชัดายากพูดพูดชงสามคำหนึ่งนะี่ก็เท่าอาจารย์พูดภาษาเทดฉันจะได้ยิน ยังเราเห็นไ่ได้ยินอืมเครื่องออฟฟิศไว้น่างงีชื่อชื่อยู่เนี่ยคือคือตอนนี้หูก็ดีอยู่นี่ง่ายตอนนี้หูก็ดีอยู่หูเออยังพอได้ยินอยู่ได้ยินอยู่พอได้ยินอยู่เค้นว่าแหงก็ได้ยินเค้นว่าค่อยๆว่างพบอยู่ในม พูดมันไปยูทูฟูนเชียงเขานะโออมมาหาเข็นร้องเองมันยันได้มาหูข้างนี้ได้ยินอยู่ได้อยู่นี่เขาบอกค่ะคุณย่าเคยอยู่กันอยูบ้นที่เด็กเพื่อพอวันหน้าเราเป็นรูกเรียนรักชาติถั่วให้ได้ รักชาใจนั่นแหะลูก<า>รักษาอื่นดอกอืมลักชากายรักชาใจนั่นแ่ะให้มันบุรีชุดวันเจัเนทร์นเป็นคือสำหลายให้ท้องละลึกฟุทโทูร้อมเราขี น, นัตนคืออุตทูฟุโทูให้ฟุโทูทโทลงวันนี้อย่าฟุทโทูไป หาผู้ชายนี่ด้านดิมไปหาแต่ผู้ชายมัานาุูโทนะหาบอได้นว <c oughs> น้ำคนนั้นมันหนัอยู่กิน้ำปางแหงขอแหงดีกินน้ำเยอะๆอยู่ดี เจือกินในขัดท้องชื้นๆไม่แก่แห้งจะปากอ่นปากแห้งนี่ก็เจออยู่เจ็ดชิปชาันนี้เลยมุอยน้ำลายเลยเจือมากก็ยชื่นๆหมอน้ามช่ยมุ้ยน้ำลายเลยผ้าผ้าผ้าเช็ด มานี่านี่ไม่ใช่อืมมีอแกอ่อยแล้วล่ะโอ้แม่มันแข็งมันไม่แข่งหรอกตาแล้วว่าออกไปซ้ากันออกไปซ่าก่อนซ่าถูกอยู่บนนู่นคยู่ข้างฝรั่งให้แชมพิดเด้อใคนไลเด้อให้ชมดี้ทุกคนทุกคนเนี่ย สำเร็จอัางยังคุณแม่อ่างยังก็ได้ที่นั่นจเป็นเราอ่างยังก็ได้ไ่รู้มิพานมิพานบริเ็ดก็พอได้มิพานเราจะไปมิพานนั้นเราจะภาวนาอันนี้เราเรียนหนังสือเราจะให้สำเร็จก่อนมิพานจะไปหรอกไปมิพานมิเล็ก อันนี้อันนี้มัต้องไสแล้วเดินอ่ะ <Okay. S 1> เปื้อนแล้วต้องเอาไปซักเอาเช็ด ไ, ล, ไล้ไเดี๋ยวพีกตามองมาเห็นมันเปื้อนแล้วเดี๋ยวเอนค่อยเอาผ้าผนนี้ไปักถอดแล้วกันน ะ, นะคะมาส่อะไรนะ ย่า่น้องเขาถามว่าย่า่เคยยู่กับหลวงหลงปูมั่นที่ไดอยู่อยู่ยชัลนี่เป็นผู้ป ฏ, ฏิบัติทันไหเาก็ถามว่ายู่ที่ไดยู่หผวงพื้นใช่<ม>ก็มามีว่าหลวชิตวัฒน์ก็ากมาพร้อมเดียวเลยท่านมาพร้อมดอีแล้วรุ่นเดียวกันมี่บอ ได้ตด้ไหมล้วได้หมนี่นี่ยังยงอยู่อาจารย์รุ่นนี้อจารย์มหาบัวกับไผ่กับท่านหลวงปู่เทพเจ้าคุณลังขีหลวงปู่เทพอจารย์รุนกระตายเนาะอาจารย์เวนกระตายจารย์โอ้นกระตายจารย์พันกระตายอันคนรุ่นนี้หลวงปู่ชอบท่นี้อาจารย์ชามกระตาย กัญญาอังแต่จันโอ้โหกับเต่า้นดังสีกับหลวงปู่ชอแม่นช่เออก็อาจารย์ชอบแยกสามเนาะยังสอาดออแล้วหลวงปู่เตียบอแมนแมนบ่หลวงปู่เจีย อาจารย์เกียดนั้นเอ้ยท่านหาก็บวนเมื่อจานมีฟา้าดีแล้วบวุญในวัดชุตบา้านอ๋ออาจารย์เกียดใช่กรหู้เฮ้สุดปฏิบัติท่านผู้เฮงให้ท่านผู้เงไม่ได้ท่านให้คุณท่านให้ภาวน่าแจ่บุถึงทอกพ้าโอกอาจารย์ เ, ยเกียดโบกคน เมืเ่อกนยากม้มเมื่อก็เห็นท้องฟ้านั่นมันจะโมกับมึงด้อยทิ่เก้าท่านม า, าอยู่ดีอือ ม, มาอยู่บ้านเหรอเมื่อกเมื่กมาหาฉันได้โชคดีแล้ว <c oughs> ตอนนี้บ้สบายฉันฉันอยู่ใจดีนะ <c oughs> อยู่อยู่วัดนะ่ <c oughs> ะอยู่ปทุมธานีปทุมพันปีชุนบวดตรงเรขโน ไม่ชมบบวชในวชฒิธรรมะบวชในช่วงไปจัดงานชุกจันนะก็บวชแล่วกไปกับปินไม่แล้วไปกรนไข่ล้วไข่แล้วไปกัะเจ็บทองโว้ยแค่ไม่ขาวชักให้ไปชภให้ไผ่ฉักพระนี่ไัยกับเมียบภัยเวียงมันไหมล่ะก็แม่กาลังเที่ยบพอเดียบพรชักพางอจย์เจี๊ยนนั่นธรรมดากระบวชอันนี้เลยชัก้าแล้วตาก้าแลว ยายเบรเอ็นเอ็นเอ็นหลังยี่บอเอ็นเอ็นหน่อยนฮนี่ก็ฉักผ้าทางตากผ้าทางแหงนะอันถ่ายนะถ่ายเฉได้ดยาขมูดูดไปยี้เดวหานเข้าเมืองคุณ่มถ้าไอคันฉจะีจะไปปุ๊กคุณดำตึงนำร้านปุ๊บตีตึกตีร้านเข้าไปเมืองคุนเออคันปิ่น เนี่ยญาติยุ่งขก็เอาเ อ, าอางค oh. ์มณฑงเจ้าพระนี่อยู่ที่โมจักท่านไปค mm. งมีเจะาประลัดปหลัด <c oughs> ชุดหวัดชุดหวานี่ยจกมีเจ้าประลัดพระจ๊กไรไปจักภพรอยู่เ mm. นาะโ mm. อ้โัวนั้นเจ้าราศีกองพระนะตัว mm. จำยิ่งข้า แกจ์มาจาพันษาโบรายป่านนี้ค่ะจะมานอ้ยจะมีพระจะมีพระเอออมบัดเออขงทงให้รงหน้ามิจฉาพระมิจฉาเทายโรยเทายท่านเทายท่านสองบอหรือท่านสามเลยอันพระ โฮงเกบไปเจ้าพระนองืนทีเจ็กลำหนุดคือบุกดูของท่านอ่ะเกบไปเจ็กพระเจ็กนี่เองวัดชุติวาฒเก็กไม่ขาวไม่สีอ๋อไปแจกพระแจกเชีย่ะเจ็คันรถเน่ยได้รับโรยจากมาเจ็ดคันรถเวลาบอกมืดได้หห็นเกทีหลังนึงห้าวนี่นะ ก็หันนี้ไม่มี่คนนี้เต็มท่านบด้พาน้นบุญจ้ถือ้าพระเสียคน่งานนยังคือคนหลายแทะล่ะงานนยังคือคนหลายแทะคนนั่นบองานงานนยังงานนยังคือคนหลายงานชบอาจารย์นั่นเดียวโอ้โหงานโชตงานชตปรจานนั่นเน่ยว่าไม่ได้วนอยู่มันเต็ม มันบอกผู้ใดบ่หรอข้นไหลอ่ะอได้บอกผู้ใดบอคือข้นมากไหลพะเยชไะ่ได้บอกอมันโผล่มุดประเทศไทยนี่มาแม่พะเได้<อ>ไปบอหรอพะเยชไปบอกไงเราได้เขียนจดหมายไปบอกพระองค์นั้นเป็นพรบ อ, บอท่านมาเองน่ะทักมหาริายทั้งนับมยุาอื่อท่านพูดท่านรู้รู้เองท่านรู้ท่านกามาที การหัวจักอยู่ก็จัจนฟันกับมันจันมันลงกับมันดังอยู่เดียวงานใหญ่อยู่มือชุบจันโอนนั้นย้าไม่ได้ไปมือจันมันนั้นไปอไมีหูวย่าชูยู่ว่านี่ไฟกระไปไฟกระไปไม่ชุบจันโอน นงปิดบ้านรอดไปเกาะท่านจีโน่วาสอันไหนพระอุดอนผัวหลงปู่สินก็พึ่งพึ่งเสียไปคุณญาารู้บ่หลุงปู่สินผัยากท่านพึ่งเสีย จ, จิตมือท่านจิตตัวเลกท่านพึ่งเสียเมื่อเมื่อเมื่อ เฮอยยูก่นเท่าไหร่ได้จเลยแปสิห้าแปดสิบแปดสิบสามแปดสิบสี่ตอนนี้ท่าน6ท่านอยู่ที่เชียงใหม่ทัานช็อตโอ้โหโอ้ใช่ช็ท่านเร้าอโอ้ใชชโดนามพี่จังพอท่นแล้วซ้า ทันหิตนันท่านชางพจะพัพนท่านกอบพท่าล้วทช่างอบพระท่เล้ยวใครเมืดอชียหม่พูมืดก็ดีไปนิผ้านใช่มนิพานไม่เขาเชียวชคมาพีโบบอบอบ อ, บ อ, บอเอาบอมาบอบอ บ, อ บ, อบอมาก เขา้จุดแต่พูดเนี่ยพูดหรอเขากระดุกมาลดยังไหวได้เผาทีนี้ข่าวว่าจะเอาชกมาจุดแต่พี่มันีแต่ว่ า, อาเอาแน่กันมาได้ก็ได้ยอยูยย่คน่ยน้องเขาเอาเอาให้ด้เยาได้ยิง่ง ผ่านุ่งผ okay. ้านายเสื้อกับผ้านุ่งนุ่งใส่ใส่เออให้สาว้ามมือมาตัดหายเรียงแกสกยิบเป็นคู่ช้าชื่อปรยน์หนุ่ยสังสราแต่รับ เดี๋ยวพี่ย่าเบิงเบิงอยู่เบิงลูกลปูสิมปูหม้อเงินบะเบิ้งเบิ้งอยู่ปะจะชิมบัวนี่อืมมีอยู่ทำทันหมดทเแกเฮมอมาทำเลยแกน่ะอันแม่น่นเมื่อกี้เนาะ พอ้พอพ่อของแม่นี่เป็นหมอไหมล่ะก็ไปตัดปางอาจารย์เว็ดนี่ทองอาจารย์เบ็ดกําลังโรงเรียนอยู่ดิอาจารย์ ช, รชิมถ้าพดีห็นหาอาจารย์ชิมทัพปิดตุ้ออยอยู่คุณเงนครูอยู่ไปใจนี่หายจริงๆนะว่าอยู่โรงเรียนอยู่แม่ก็ชิมมวยใหญ่ขนไดดิมเล่นระว่าอยู่ชิ้ พี่สาวปีนี่แหะอันเมร์ไปนะพ่อกับเมรพี่น้องเต็มที่วันวัวคนที่พี่น้องได้หันอาจารย์ชินจันเวนทองจันเวนพี่อะทองที่ป็นทองป้างนะขอมากับโพ่ไปตัดปางเรียบดีเฮโนอ แ็ดยังไงจะฟ้ายังฟัวต้ปลาเม่งคิดอย่างนี้นี้อย่างนีใบไม้หนี้เนี่ยห้องกับผ้าทันดีนี้ผ้าหนี้เงาดิอืมคุนิคุ้มคุ้มลูกใบไม้แม่กับใบไม้แม่กับท้อเอ้ยถามท่านว่าโบจีฟดื้อจันเรีนอยอนี้ คู่แหวนเนาะเอาให้แม่หมดแม่แล้วโอเแล้วอันนี้อันนี้พนุ่งพนุ่งค่ะพ้ถุงพนุ่งพนุ่งใช่ปะอนนีอันนี้เสื้อมะม่วง อาสุอันยูวีัก็ได้สบายใจไม่ใช่ได้ได้ได้อันได้วดใอย่นี้ยาค่อยวันตรงนี้ยข้อที่ห้านี่แันส่งไม่ด้วันน้วาว ใครใครจะถามอะไรท่านผู้นี้อากาศดีแล้วนะคิดว่าจะไปชายอีบอคิดว่าจะไปผู้จ้องไปมุนอาหารไปหาหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าหลวงล่าอย่างยุ่งอาหารยี่งขั้วเฉียเออแมนๆไปผู้จ้อก็ผู้จ้อก็หลวงปู่ล่านั้นมืออาจารย์ชุบอาจารย์นั้น ท่านอากบุ ด, ด้วยสามปีเนี่ท่านตายท่านลำบวญท่านก็มาอยู่ในวัดชุิวชาน์าอันฉันนาละพันยิ่ให้กระลวงพราให้โนอจาันมันไม่ฟังท่านเป็นคนงามเนี่ยเมื่อกี้ไม่ใช่คนขี้อายหลวงพลาคนสวยเนี่ย <c oughs> ได้ินอุ้ยตอนที่ท่านกับป่วยอยู่ป่วยร้ายโรครู้สบายตอนเนี่ย ท่านปีนใช้เลื่องแม่นแล้วแม่นแล้วท่านกระบอกมาให้ฉันช่วยช่วยบุได้โลกใช่เลื่องจะช่วยอันอย่างจอช่วยแต่ยังไง่ยงไงช่วยปีนช่วยใช่เลื่องท่านกับที่ข้อเจอคนที่เห็นนื้โอ้ ไอ้ัสดีพ่อเออน่ะท่านี้หมักในผมทุกคนทุกคนจะไม่ถารเด็นเดียวใ่ไหมไม่มีอะไรถา้มอะไรจะถามไม่ให้ถามม่านระดัไหนวะจดูว่าแม่ต่อยังไง พี่ถามท่นอยู่ถามว่าเราจะดูยังไงว่าอยู่นอกคัมเอียย่โอกฉันอยู่นะไอ้อ่เขาพนี้อย่ามาอยู่คเียนะพี่บอกว่าให้ถามกันว่าเราจะดูยังไงยากของเรื่อไปเซ็เทอดหรอกเขาเนปารี้บ้านเดงระดับนี้ยยดังๆเขาถามว่า เท่าปฏิบัติแล้วคือลูกได้ยังไงว่าอยู่ระดับไหนแล้วพระดูพระโบพระคระบันต้องถามแล้วลูกเองลูกมันต้องถามถามผู้อื่นผู้อื่นรอกประสบเฮาไปเโมเมนเท่าเท่าเบิ่งพระเบิ่งพระผู้ใดที่เบิ่งทู่ได้ยังไงว่าเปิ้ลเปิ้นสําเร็จแล้วนะมันจะกระลููเองลูกมันมีจักรเง เราอยู่จำดักตันงสำหรับฉูเราลู้เองเราหูนเองนี่เราลู่เองเห็นตาเข่าห็นเราก็รู้นี่เราดูเองเราก็รู้คุณยายเบิ่งพวกเราดีปะคุณยาย มันบคุงกันได้ลู้วางเชื่อมันนอกชูมันอยู่ต่ำจริงที่คนว่าต่ำจินเขาไปอยู่ชูจริงอ่ะมันบคุงกันดอกนี่เป็นอย่างนี้จิบคุณบกคือกันแต่คิดอันเดียวใจอันเดียวแต่หัวคิดมานานผ้าพฝนอืม เนียขินมากเนี่ยขิดมากเลยไปดูโรงเรียนเอ้อยนเห็นมันชุกเลวเป่าขินมากเรียนเรียนตอบ้าเรียนนี้มันชุกอันนั้นเป็นหน้าฝุ่นหน้าที่ของเราแ่เป็นหน้าที่ของเราไ้ห็นเรียกชิ้นหรคนนั่นได้หาินเนี่ยเรื่อจบแล้วก็หายขินนะเห็นคนเรียนมูจิมมาแค่อกไปแคไอ้ฝุ่นเฉยๆมีก็นอ เปไปคุณยายทันสมัยวสการลงปูหม่อลองใช่จะไปขิดนาปูตีไม่ดี่ะไปขิดนาปูมลอดเจ้าเดียวบักหม่ำใจเรียนเนี่ยมันจบนี่เรียนชั้นเรียนเราออกใหม่มุดงานทำ เข้าออกไปจริงๆบิการท่านไปตีพุ่มเฉอ่นี้มาเนจะบอกบริานท่าดอกในห้องก็มีในห้องเราก็มีแม่ก็มีล้านผู้เดียวอันนีชิหกชิ้นช้นเจสเต็มแล้วชิเย่างเขานนล้ตอนนี้แม่นป็ผู้เดียวลูกมันก็ผู้เดียวได้อยูกก่บผู้เดียวลูก็มีคนเดียว ลูกก็มีลูกคนเดียวที่เป็นหลานของยายตอนนี้แต่พวกนี้อันึงเขาห้อหินเอ้ยน่าจะไปม่ได้เฮ้ยนกของข้าดอยู่กระโบนไหมอันนี้น้ำมีเล้นอ๋ย่างไปบ่ได้ค่ะย่างบม่ได้ได้ไปสิบะจัามาจุงเรามันจะจิลู่มจิลูกเราบบมีเหงืแล้ว ได้โชว์ปีเลยแม่บดยรบดเดื่ดต้องปีแล้วจะมันคิดมากให้กับมีความสุขในสำเร็จก่อนที้ไม่หวานดีเลยความจำคุณยายดีมากนะ็ระาม่ดียัยสี่ร้อยพอดีมีประกาไปตอเช็คกันไปต้อเชยนกันได้ยยเงินเงิน ไว้ซื้อของนซื้อยากินวัดถองค์มาทำบุญด้วยหน่อาใครจะสั่งขามูมาแปดธนาทุกทิ่งทุกยาทุกการช้าทุกเหลูกเหต้ลานให้ฉันดีทุกสุนทุกคนดีรู้ด้วยช้าใช่กับฉันงท้งโอมาให้ที่ป็นในวูในพัน เขาอยากเป็นพระเขาอยากเป็นพรเจ้าเป็นนายเมนแอบสำรวจอย่างอื่นบ้างเขาได้เงินหลายแค่พวกเจ้านายเขาผู้สมือจับมือเดือนนึงเดือนนึงแม่แม่อยู่หัวมาเคยมาเยี่ยมยายอยู่บะใคแม่อยู่หัวคุณแม่ไหมแม่ไปวะมามามามาที่นี่นะย วันนี er, <ส title. S 2> ้มาเยี่ยมลํามาอยู่พี่แล้วมิ่อี้มอมบัวนั่นไปบ่อยไปเยี่ยมฉันกับพันทิพย์มาอยู่ี่มาไปไกยนี่เพิ่นมาไปเที่ยวก็เห็นไฟมาด้วยมาหมดเ เขาตำลังเหตจผ่านสะพานฮักสะพานฮักเพอนมาหัวคอยก็เห็นเบิ่งโง่กลัวอีกหัวได้ห่วได้ข่าวไวทุกอย่างขอมหมอมหลวหม่อมหลวงแม่ท่านเองพี่เพื่อนมาเรื่อยมาเบิ่งกุี้เพื่อนแม่เป็นฟูกุฏิไอแม่เ่วาชุทวาดมันดี คุณย <t oms> <m> ่าจะกลับมาเกิดอีกบอ๊คุณย่าจะกลับมาเกิดอีกบอ๊ะไม่รู้หนังคือเแล้วจะเล่มอะไเล็ดดีอืเล็ดจะกำกำขึ้ย่าใช่ดีมากเลยับไม่ใหญ่ดีใช่นไหมใคโบพุ้นไก่ขึ้นมาของแก้ว คือโมลาหมกคะวานเลยมาเกิดหมมาเกิดนี่ผมพูดต่ออะไนก็ได้มาเกิ ด, ก ด, ห, ดหรอือ ไ, ไม่มาเกิดแม่เยพูดไม่ได้ <c oughs> ไหายพี่เจารย์เวัาโนท่ามุดที่นี้แล้วบาทนี้อาจารย์ท่านว่าหมดแค่นี้แล้วมุดแล้วได้จันหมออาจารย์มันท่านพูดอาจมันท่านบอก ก็คือไม่แล้วเมือฉันโอมอโมบุดน้องลูกฉันกัยังน้อยไม่เนาะการยุ่งฮกคนณเด็คนณอือันไม่ยี่งยังกิ้งกิ้อยู่อโมบูดปะคุณยายใจฉันจะงวดนี่ก็ให้บวดฉันจะตายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวี้ฉันเฮ้ฉันเบื่อเขาฉันเบื่อผู้ชายมานั่งใกล้นั่งขวานนี่ก็ถตือกลืนเขานะ เออนั่งปั้นมีก็ะือขึืนเถอนะพอที่เบื่อแต่ไม่ออกถ้าอีกบวดจันยมีจะคนนั่งอยู่ใกล้ๆี้ก็กาคนเาก็เมืออมันเบื่อแล้วมันไปอีกมันดอกันก็เบือ่ออยากไปอยู่ใกล้อันว่าจะบวดอยู่อันาชื่อชื่อยากแต่วที่กินดอกออมันวัท่นเบื่อเออ มันแรกมันป็นเองดอกมันเมื่อมันไปเองนี่แม่จะเอาให้ฟังคือแม่จะบอก่าไดขึ้นนี่ขนนั่นก็เชื่อวได้แตงกีอู้หึสันไรกาญาติแต่พันธุมานทันเมืองจะไม่ไม่เห็ุเหเหตุนะแต่ว่เด้โขลยได้หบไดีอืดเรื่งใช้ขโฉดเึิ่งอยู่ของกิน เป็นหมองมี่หมองเป็นอีนยังเคื่องเป็นเครื่องกินแม่ปลูกมุดวันนี้กินของใช้ทํานไมทําท่านวันนี้ผูกชวนจะบ้านผูกชวนผมชวนต้นผาไมาชวนอูนผมไปปลูกไว้ผลไม้อะไรก็ปลูกเองวิญาบ้านเมืองเขาบอกโขงเขาดะไรนี่เดกพวกชาวบ้านมากเขาวบ้านู้ บลูกในบ้านตักี้ขาในทุูหมูก็ไปปูดแต่นอกกุยโอนชอยฟีอุยเป็นมังหงมังหนักแม่วดีขึ้นมาบวดเออหน้ามาบวดเลยอย่าให้แม่ไปบวดอยาให้มันชวนอยาให้ให้ชวนไปบวดนะแม่ดื้อฉั่งลูกจำประชาิเรียนมาน้าแม่หมด บัดช <de leg ante> uh, ุตวานไม่ได้มีอย่างนี้เม so so ื่อกี้วัดใหญ่ก็คือเดี๋ยวมีม้วกกหนึ่งเออมะพร้าวสามต้นอ่นี้วันนั้นมีมะพร้าว2องสองต้นในวัดแม่ข่าวนะมีม้วนองต้นนึงแค่นั้นล่ะสต้นออ่างต้นหน่ม่ไม่มีเมหมาบมีปลุกหมองมีหมังวงลำหนกลวใหญ่เต็ม โอ้ลำไยปลูกได้อยู่ปล <c ười> <c ười> ูกได้ลำไยนีแต่ที่นี้จจลำไยทุ้เล <c ười> ลค่ะแล้วออกไปบวชแล้วลูกๆบ้าวเอาไม่บวด พี่กัมมน้องรวยเมมิสตูเมมพอดีเลยอายุ้องอาอายกัตายอายตายอายุน้องน้องใจตายอายุที่สิเดมุทจาวกัน้องเนี่ยก็ตายตั้งพี่สมแม่พอดีเราพูเรจูงไม่ไดมบุญนาคาที่เารูที่เดียว่ัน มือคุณยายนิ่นมคือหนังไม่ไหน่เลยคุณยายยังแข็งบ้างคำจำก็ดีดีหงยาวด้วยผมผมไหลหมราลจินมือเดียวคือแขนเล็กน้อยอยู่เ น, นอแขนเด็กน้อย หน้าก็คือหน้าใกล้ๆเด็กน้อยหรอโรแมนผู้เฒ่าโรแมนผู้เฒ่าเด้อคุณยายบ่ได้อยู่อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เด็กอ่ะเขาเขาถามว่าอยู่กับพ่อกับแม่บ่ตอนน้อยนะ่ะ อ, อยู่อยู่พ่อแม่ตายก่อนพอ่อพ่อตายแล้วหลัง เขม่มียลงพอกอจะได้หลายปีไ <c oughs> อ้วกนี้ <c oughs> นี่วงชาติว่างีเล่นแล้วน้ำตาไหลเลยเะ <c oughs> ปีสีเกิดนะปีสีเกินคุณคุณยายตาบวชนี่สามีอายุเท่าไหร่อะี่เออาอายุเท่าไหร่เป็นบอกน้อ่สสิบะสิบปบวชตั้งยัง่ายยเาถามว่าบวชตอนอายุเท่าไหร่น่ะ อ๋อบวชอันยูซีก็ซีซีฉันเอาพกอันอันพี่วินถาใจทำเดี่ยมใจไอซีหกนะดี่ยเฟอยูซีหเบ๊อัี้แล้วตอนนี้ซีหกนุดเลยแล้วเนี่ยมาแล้วีอุ้ยพวกแม่คุ้มให้เอาเอ้ยแล้วอยากได้หรอกไม่อยากได้หรอกแหม่สมัยก่อนเน่ยมุ้มักมุ้งมักเขาบ่าวคนน่ะ คุณยายไม่รักหรอกเขาเป็ากเขาดิผู้ชายเขาม่รักคุณยายเขาเป็นเาแกเขาแกกว่าคุณยายเราเป็นอีโนยเราเป็นแกเขาแกอยู่เท่าใดเข้าใจว่าเพื่อนให้เอาเขาแม่ให้เอาเอาเอาเขาก็ลงมือไม่เว่าจะเร็วเอาก็เอาเราดูเราเพราเป็นแนวโยมโมผมแน่วแกงจะชิมเอาเราอ่ะอันพอน่ะ เอาเอาลงมืดตัวอยากหายนะเนี่ยเข้ากัยัได้ยั ง, ยงคู่ไห้เอาให้เป็นฟังเป็นฟ้าตูหลายคนมแม่ตายป้าพ่อตายป้าแล้วชบไปยินอะไรท่ว่าอย่างนี้เรามีฝูแล้วยังอยู่น้ำผัวเมีเว้านะ่ะเอาแล้วเขาก็นอนดนะีเขายามอื ม, อม ในปีนึงได้คขาว่าฮามนีไปเขาแต่งงานกับผู้ชายแล้วผู้ชายขาก็ต้องมาตอนไหว้คุณยากลัวมารับจ้างเห็นหน้าเลยฉันดอกคุณยายแบเอาเอาลมหให้มีก็๊กาอยางมีลูกมาช่วยทนามาขอมุดมือมาขอทุกวันเลยเอาวุ่นขี้ปางเท่านั้นเดียพาเขาไปเอาวุ่นน้ำเข่าให้อาภัวแล้ว ปรมุกกระจนหมายแฝดแฝดมีฝายแปดแล้วอะไมาไปนะสิมาเยอะแนะมั้อ๋อตายแล้วอ๋อตาเป็นแค่เรื่องเดียวค่ะอ๋อมันพี่วีถามว่าสนใจทางั่นแต่ถึงเท่าไหร่พี่ถามก็ต้องมาถามแล้วนย่งไม่ยัยมีเขาถามว่า สนใจสนใจสนใจปฏิบัติเมื่อใดอายุเท่าใดสนใจแมื่อใดวะสนใจที่สนใจจะเข้าวัดเมื่อใดสนใจที่จะปฏิบัติเมื่อใดอายุเท่าใดน่ะชั้นนี้เออที่จะปฏิบัติเออแล้วอย่ากอนุชีชีพนั่นเดีวเมฆเบาไม่ปฏิบัติเฉอๆเมอันแต่ยังน้อยอยู่บ่ได้ปฏิบัติ เป็นผู้ชายยู่เอนั่งเป็นน้อยเลี้ยวแต่ตอนนั้นก็ปฏิบัติด้ฉันลำบุญากีอมันปฏิบัติได้ดาเองมันนหมอนนไร้เนว้ความสนใจแต่ที่ทาได้จริงจริงันองใช้เวาแต่ท่สนใจนี้สนใจมันคือว่าอยากที่จะเข้ามาเมื่อยน้อยอยู่ คุณยายสนใจที่จะอยากที่จะทมอยากที่จะปฏิ บ, บัติบอแม่ด้กินชุดเครื่องชดน้ำขาจักเชื่อก็จะาบวชอย่างบวชท่านโบจะปฏิบัติแต่น้ำโม น, นว่ว้อยู่ขุมมือกันว่ายน้ำโม่น่ะโบได้ยากจากมือแต่โบเาจาาา้าหาว้น้ามลรู้จักมา้ั้งมต่ประจิบคืออะไรน้ือหเมู่อไชา่ก็ไม่มรู้จักแต่โม่ชาติ่รู้จักแต่ต่ก็ไม่รู้ ไปว่าอาจารย์ฟังเออมันทำมันยมีมาตั้เกิดเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยคุยายมีบุญนะมีบุญหลายอยู่เอี่ยก็ไปหาอาจารย์โนะก็คือียดให้ผูวโนยสุพรรณคเดียดให้ฉันอยู่แล้วโนยมันแบบ เขาไปหมกเลยคันี้มากฉันให้อาจารย์ดิเพาว่ามกอาจจะอาจารย์ที่รักษาผมรกษา้แล้วผมรักษาบมได้แล้วฉันดิไม่มกให้ไปเล่ามุกพี่ดีเกียให้เลาชิกน่ะนี่ได้ไปพูดได้ฉาบ่ลยให้พ่อให้ชิกโอ้ยเขาให้ฉันไปไปไป เมกี้ท่านพูดอะไรชอไม่เรื่องอย่างนั้นน่ท่านพูดต่อไปเลยง่ายเป็ใจน้อยกว่านั่นโมนี่เมียกให้ชมชันล้อคิดว่าชมชานเขาของโมเม่าอโบชมชันเลยไปคิดใจน้อยๆเขาข็บวชเป็นจาร์คู่จานชาบบวชมาไี่ตายเนี่ยอือก็เป็นไอจารช์โ้นเมื่อไห อ๋อแม่ดวงเฉิบดังม่วอะไรนะอะไรนะท่านพ่อทาไมยา่ขอถามหมูขอถามว่าเคยเคยพบท่านพ่อลีบอท่านพ่อลีอ่ะท่านพ่อลีอยู่วัดอโศอโศการามอยู่วัดอโศ ว่าฉุกกหลามเคยเห็นเคยพอๆมุกได้ยินเด็กพี่น้องฉันได้ไปตายอยู่จารีพี่น้องทางพอเนี่ยค่ะเจ้าได้ไปจะเชื่อใคไเนี่ยอาจารย์ไม่ให้ไปน้องเขาอากไปอาจารย์ไม่ให้ไป ท่านว่าเนีน่นท่านว่าเนี่นี่ยากิงจะไปเน<อ>ี่เดวบ้านเกิดมนวดเราก็อยู่พุนเม่อยู่ทยาไม่รอเมย์จะเริมม <H an> าขลาบมาอยู่จ้าลิ่นบุด้วยชายามาอยู่คนความความของคุณมันไปไหมไป <K h wan> ใช้มันก็มักไปใช้มห ก็มาเลู<ด>กคเนนี้ให้ไหนก็ไมชช่ชอบเลยชอบู่นี่ชอบจังหวัดนี้สกลคุณยายคุญาตินใต้สิเหมือนกับกัมมาแต่ปุ่ ม, ม <c oughs> ใช่คุณคุณญายรู้จักจกัมาอยู่อยู่ที่ญาตท่านพุทธทาสบอกท่านพุทธชายท<พ>ี่านทำตอนได้เก็นข้าราชายได้เป็นทหาร ก็มาเป็นไม่ยืนชาติเนเนี่ยไอจาอย่างของมืชาติเลยหาเนไม่ใช่ท่านตัวท่านได้มาอมดแล้วทาไมทาไมทำไมจะต้องเกิดมาเป็นไม่ยอุ้ยว้าวโนยนยหกไ่ได้ว่าลายลรงเมฆลอยพินเขาเจนโเลยนะเมียทหารเขานะเจนโเป็นตาตายอีล่างนั่นอีกแถวไม่ได้เอ้ คือชนะไปไม่ยิงลงไปเจ็บท้องเราเขาลงเจ๊บแค่ไหเท่านี้เลยอ้าวไปเป็นแม่ยิงเลยพญ่าฟาถนาเด้อ่าฟาธนาพญไปพูดเอามันลาบากพอดีตอนัแมเห็นก็เห็นหน้ากรณีนยังก็ยังจะเบ่งออกลูกก็เลยอยากรู้ว่าิงมีลูกเขาเป็นยังไงก็เลยบอกว่าท้านหน้าเกิดมาขอให้ได้เป็นิง ถ้าเสร็จง่ชยฉันเองพิชาน่ายเลยอ๋อชาที่แล้วท่าเป็นประธานไม่คือไปเห็นเมียทหารกําลังจะคลอดลูกอยู่ทีนี้ท่านอยากรู้เป็นยังไงชาที่แล้วแม่ได้บวชบอฮะได้บวชบอชาที่แล้วไหข่ยาแม่แม่ ในรูปนั้นออกมาแม่ยากบวชแม่ยังบวชเห็นแม่ข่าไปก็ว่าแมอยังบวชเปิดลมเบาบวชให้บวนแม่สองาีแอร์ล้วชาติที่แล้วแม่ได้บวชบอตอนที่เป็นผู้ชายอะบวชแล้วได้เป็นผู้ชายมากทบวดเป็นมิ่งมากบวนมากทุกชาติทุกดวงงานสุดปูดีจังเลย โม่ชีชีบวชพะชาติเดียวนี่โอ้ยไม่บวนมาลายพบลายชาติแล้วค่เห็นได้สำเร็จไม่ยังนมันดังบวดอยู่ที่ไหนคนเราเล่นข้ามพบกันชาติหรอุ้ยไม่ยังรถเอ ย่างล้อระเบิดต่างเย่างล้อแต่เสียงยางล้อระเบิดในวัตาเสียงยางล้อรอว่าหรอมันังรอวิ่างล้อเิดอุยมันมันใสอยากถามอะไรคุณย่าอีก มันกินมันกได้มกินพกาได้อยู่ทไหน้อยู่ี่พวกเราด้วผู้ชายป็นผู้ชายแล้วบวชแล้วให้บวชพิเทหารใช่ไหมใช่แต่บวชเป็นทหารเฮ้ยเข้าเปลูกในหะวงคุณี อือไผ่นี่เป็นลูกในหลวงชื่อคอะไรบรรยายชื่ออะไรชื่ออันญชลงชื่ออัญชื่ออียังชื่ออีังไหนอันรักเป็นชายไงโม้ลนหลูกในหลวงเป็นลูกในดวงชื่ออะไรชื่ออัญเป็นอยู่อยุทยาเขตบัวนอำเภออุทยานอือโม้ ว่างอายุชะญาณอ่ะแม่ไครเบื้งดีนะโบสบานเขาฟุกทางถนนกูวอมดีอันบ้านเมยอยู่ น, ะ น, นั่นนี่แม่เขาไปเบื้องว่างอันนี้เขาเบืองเพาะที่ไปป่อยไตกมนะ็มีน่ะยี่ไปป่อยเต้านะนะ น, นั่ว่างน่ะอันเต้านักับเต้าพริกหนูบักแย่ช่านี้มุดเมมันนะ่ะคึ้นชื่อเป็นเต้าเม่นะนี้ไ วอจะกระดิบด๊บๆๆไปพวาขึา้นมาในผู้เข้าของเก้า <Cast> อาวพออีกพวอ อ, ออีกไปไปขึ้นมาอีกของเก้เอ า, าอา่อาวาดอีกนะเก๋าไปกระดิ๊มัน <มา S 2> ขึ้นมาเก้า อันเต่าช่างมันก็ขึ้นม่ขึ้นมาที่ก่อนปล่อยเต่าไปแล้วเขาก็ปล่อยปล่อยแล้วเขาขึ้นมาอีกตัวเก่าเขาไม่ยอมลงน้ำไงเขาขึ้นมาอีกัาพ้นไหลไหกัน้วชด้จิ้งออกไปนี่ไม่อยาจะพูดมันเยอะ่อยาวดน้อยก็พอแต่อยากรู้มันยาว ตอนตอนแม่เป็นลูกในหลวงนี่เไออายุทยาหลายพวกหลายชาตินี่เอาอยุธยาพร้อมจะไปไหนจะออกไปไหนลสมัยไหนอะสมัยรัชกาลท่านจะไปก็จะฉันยังนุ่มขนไปขึ้นไปนั่นขึ้นไปขึ้นไปไอจานท่านบัวให้ไปอายุธยาอยากไปแต่ว่าจานไม่ยอมไปจานคนใจว่างไป กักไว้ไมถ้าใครถ้าจะถามว่าเอดก็เห็นนะบบบ๊ใช่ไหมจะไปหรอเป่าเอกไป่ก็เป็นเมื่อก้าวไม่ยากจุดก็เออเมืงเก้าล่ะเหรอล้เราต้องไปดอกตั้มาไปมาแล้วอืมนเอดก็ไม่ต้องไปนี่กับผมว่พื้นเมื่อกนั่นเมืองนี้ อะไรข้นไปมากมึอเรียกขึ้นใคไปพึ้นห็นเรีวที่ไหนที่อาจารย์เห็นแรียวชั้นบวเห็นมี่งที่ไหนกินี่ทันนี่พุทธา้าจาย์เขไปได้ทีพระนี่เนี่ยถามิจีย่านท่านหรอเนี่ยเปเล่แบบเข้าตักท่านบไปกาแขนท่านเออทีย่านท่านแต่ท่านอีกที นี่เราหัวดิจเลสิชื่อผู้ชี้ใหอยังนะนี่พันยางเช่นเดินนไม่อยากไม่ไปแม่หมอแตไปทำไมไปแล้วเดี๋ยวพีรถถูกกันอะไเยตัวกันอะไรเงี้ยมันเดินทางกันลำบากไม่อยู่นราจัดหอนได้ีนึงเรามวางภาคอุดร อันนี้มาจากท่านบได้ไปยู